แนะนำบทฟะติ์บทฟะติ์เป็นบทมักกิยามี45องค์การถูกประทานลงมาก่อนการอพยพของท่านรอสูลุลลอฮสลลัลลอฮหัวลัยวศน์ลมบทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มของพระผู้ทรงเนรมิตซึ่งทรงสร้างจั ก, กรวาลมาลัิกะมนุษย์และยินและได้พิสูจน์หลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมกัน ชมหน้าของจักรวาลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแผ่นดินที่มีชีวิตชีวาหลังจากแห้งแลง้งถึงการให้ฝนตกลงมาการให้พืชผักผ ล, ลไม้งอกเงยออกมาการหมุนเวียนสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันการให้มนุษย์เกิดมาเป็นขั้นตอนและอื่นจากนี้ที่เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระองค์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 ซึ่งเป็นจุดรวมของความประเสริฐอันหลากหลายแห่งบรรดาคัมภีร์ของอัลลอห์จากนั้นได้แบ่งแยกประชาชาติออกเป็นสามจำพวกคือพวกที่บกพร่องกระทำความชั่วพวกที่กระทำความดีและพวกที่รีบเร่งแข่งขันกันทำความดีบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวประนามและคาดโทษพวกบูชาจเจวตในการที่พวกเขา เคารพสการะรูปปั้นจเวิตและหินบทฟาติสถูกขนานนามเช่นนี้เป็นการรำลึกถึงชื่ออันประเสริฐและคุณลักษณะอัน ง, งดงามในตอนแรกเริ่มของบทเพราะคุณลักษณะอันนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความสวยสดงดงามการประดิษฐ์ให้มีขึ้นและการเนรมิตที่ไม่มีแบบฉบับมาก่อนในการนี้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 پرنام <تصفيق> بحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أديء جل ح ة ى مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงแต่งตั้งมาลิกาเป็นผู้นำข่าวผู้ที่มีปีกสองสามและสี่ทรงเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง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 เพื่อพวกมันเป็นสหายแห่งไฟที่ลุกโชนช่วง ال บรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอย่างสาหาัสส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้น สำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันย right> ิ่งใَญ่ ดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สวยงามแก่เขาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีกระ น, นั้นหรือถ้าจริงอัลล์ทรงทำให้หลงผิดแก่ผู้ที่โรงทรงประสงค์และจะทรงชี้ทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่โรงทรงประสงค์ดังนั้นเจ้าอยัด ทำให้จิตใจของเจ้ากลับกลายเป็นระทมทุกข์เนื่องจากพวกเขาแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ และเราเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายออกไปและมันได้ทำให้เมฆก่อตัวขึ้นแล้วเราได้มันพัดพาไปยังดินแดนที่แห้งแล้งแล้วเราได้แผ่นดินนั้นมีชีวิตหลังจากที่มันแห้งแล้งเช่นนั้นแหละคือการฟื้นขืน่นจีบ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 และบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายทั้งหลายนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบและแผนการของชนเหล่านั้นย่อมพินาศวัลลอฮฺขลักกุมมินตุราบินทุมมมินนตุตุเ ต, ตินทุมม์เจละกุมอัจวาจาววมาถะมิลุมินอุนธาโวลาตั้อะอิลลาบิอิลหมิ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 عذب فرط سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم ط ر ي ا وتستخرجون حليه تلبسونها وترلف ُ ل ك ف ي ه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. และทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอันนี้จืดสนิทอร่อยน่าดื่มพอใจในเครื่องดื่มของมันและอันนี้เค็มจัดและจากทุกแห่งนั้นพวกเจ้าจะได้กินเนื้ออันอ่อนนุ่มและพวกเจ้า เ, าเครื่องประดับออกมาจากทะเลทั้งสองเพื่อใช้มันเป็นอาพอรและเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าผิวน้ำไปเพื่อพวกเจ้าจะได้แสแวงหาความโปรดปานของผงและเพื่อพวกเจ้า يولج الليل النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ك ل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 พวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางๆที่หุ้ ม, มเมล็ดอินทพะลัม หากพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมันพวกมันจะไม่ได้ยินการวิงวอนขอของพวกเจ้าถึงแม้พวกมันได้ยินก็จะไม่ตอบรับพวกเจ้าและในวันประโลมพวกมันจะปฏิเสธการตั้งพาคีของพวกเจ้าและไม่มีผู้ใดแจ้งแก่เจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงรอบรู้เท่านั้นเยยอ โอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอลัลลอฮ์แต่อลัลลอ์นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ د د ز ز. หากโรงทรงประสงค์โรองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อรลหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมใช่เป็นการยากแก่อเลย وإِذْ َ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلَى حِمْلِهَا لَا ي ُ ح ْ م َ ل ْ مِنْهُ شَيْئٌ وَلَوْ كَانَ ذ َ ا ق ُ و ر َ ا إِنَّمَا تُعْدِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ و َ م َ ن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 แท้จริงเขาก็ขัดเกลาวเพื่อตัวของเขาเองและยังอัลลอ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปและคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เหมือนกันและความมืดกับแสงสว่างก็ไม่เหมือนกัน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 และเจ้าไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศบได้ยินได้ออะีเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายเท่านั้นอินนาอร์ลนา ك บิล ح ั ق บชีรวนดีราวินมินอมมตินอิลลาขลาธีหานดีร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 และพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นําหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาและด้วยคัมภีร์ต่างๆและคัมภีร์อันแจ่มชัดข้าไดลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ดังนั้นการปฏิเสธต่อเราจะเป็นอย่างไรต่พอพวกเขา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 وَمِنَ وَالْدَّوَابِّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِقٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكْ إِنَّمَا يَخْشَ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهَ اللَّهَ إِنَّ عَزِيزٌ غَفُورٌ และในหมู่มนุษย์สัตว์และปะสุสัตว์นั้นก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกัน แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอถ์แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอภัยเสมอออิินลวูาาบกกมมมม แท้จริงบรรดาผู้อ่านคำพีของอัลลอ์และปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาทั้งทางลับและเปิดเผยเพื่อหวังการค้าที่ไม่มีการซบเสาวห้วุฒิยอ่อมอจูรห์มวย زيد หุมมีควาอลิ ح, อินนห์กรฟรชักู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 และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้เดินสายกลางและบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการกระทำความดีทั้งหลายด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นั่นคือความโปรดปรานอันในนนนนหญหลวง สวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พมนักอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นในสวนสวรรค์พวกเขาจะได้ประดับด้วยกำไลทองและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขานั้นคือผ้าไหมว่ากอลุล حمد ุลลอฮิลลัลลิอิอัลฮะบัญนัลฮะซัลอินนัลรับบานาละฟุรุนชักู และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงขจัดความระทมทุกข์ออกจากเราแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมออัลลอฮ์อัลลอฮ์าราไมกไม้รับความเมตตาจากพระองค์าไม่ได้รับควายเมตตานากีราอุค์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 وَهُمْ ي َ ص ْ ط َ خ ُ و ن َ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَ ا ل ص َ ا ل ِ ح ً ا غ َ ي ْ ر َ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ ن ُ ع َ م ِّ ر ْ ك ُ م مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ا ل ن َّ ذ ِ ي ر ُ فَذُوقُوا فَمَا ا ل ْ ض َ ا ل ِ مِنَ ي الْنَّصِيرِ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 ได้มีผู้ตักเตือนมาไม่อย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสกาลงโทษเถิดเพราะสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยอินนัลลอฮแลมุไกรบิสเมาติวลัอินฮแกมุบิติสุดูรแท้จริงอัลลอนั้นทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวง อ, อก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 จะไม่เพิ่มอันใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธานอกจากความหายนะเท่านั้นขลอะรไอตุนชุรักะอะคุมุลลลีนตะดูอุนมิดูนิลล ا อะรุนีมาดะฮัลลัควูมินัลอาร์ดอัม ت ا ุมชิฟกูมิฟิสส์มาวัตอัมแอตนาหมาานติมมิ ي ي จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาภาคีจเจวตของพวกเจ้าที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์จงแสดงให้เห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้ได้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในชั้นฟ้าทั้งหลายหรือว่าเราได้คำภีร์แก่พวกมัน พวกมันจึงยึดมั่นอยู่บนหลักฐานจากคำพินั้นเปล่าดอกบรรดาผู้อาธรรมนั้นต่างก็ไม่มีสัญญาอะไรต่อกันนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นอินน um ah ัลลอฮฺยุมซิคุสสัมาวา์ิวัลอ أ َ ر ْ ض َ أ َ ن ْ ت าวُ و ل َ وَلَإِنْزَالَتَ إ ِ ن ْ أ َ م ม س َ ك َ ه ُ م َ ا م ِ ن ْ أ َ ح َ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 َأَقْسَمُوا أَيْمَانِهِمْ أَهْدَا الْأُمَمْ جَاءَهُمْ مِنْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا بِاللَّاهِ لَإِنْ لَيَكُونُنَّ جَهْدَ زَادَهُمْ إِحْدَ نَذِيرٌ إِلَّا نَذِيرٌ نُفُورًا และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า หากมีผู้ตักเตือนมายัางพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะเป็นประชาชาติหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องยิ่งกว่าประชาชาติอื่นๆรั้นเมื่อได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเขามันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการเตลิกหนี